ฟังทำฟังคำพูดฟังแล้วไม่ใช่จำเอาฟังแล้วเอาไปทำแล้วก็อาศัยการกระทำของเราฝึกตนฝึกตนบันฑิตยอมฝึกตนช่างถากก็ยอมถาก ชางดัดลูกสอนก็ดัดลูกสอนเราก็ต้องฝึกตัวเราด้วยมือของเราด้วยการกระทําของเราเราสติเป็นตัวฝึกส่วนประกอบก็คือมีความเพียรมีความใส่ใจทั้งกายทั้งใจเราเอามาฝึกเราสติเป็นสิ่งที่กําหนดกฎเกณฑ์ ในรูสึกในรูสึกตัวรูสึกนหละมันจะไปปรับปับตัวหลงตัวหลงเป็นกิเลสอย่างละเอียดของโกรธความทุกข์เหมือนเป็นกิเลสอย่างหยาบตัวหลงอยู่ตรงกลางตัวโลภตัวโกรธอยู่สองสองขอบสองข้าง ถ้าหลงมันก็โกรธได้ถ้าหลงมันก็โลภได้ถ้าหลงมก็ทุกข์ได้ถ้าหลงมก็รักก็ชังถ้าหลงมก็ปรุงก็แต่งเกิดกิเลสตัณหาราคะเกิดสารพัดอย่างทั้งที่เราสวดอธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติตัวหลงน่ะเป็นอธรรมตัวหลงนี่เป็นบิดาของความชั่ว ควารู้สึกเป็นบิดามารดาของความถูกต้องมันก็มีแต่ตัวลูกตัวหลงเท่านั้นแหะชีวิตเราตัวใหญ่ใหญ่สิ่งที่เกิดลี้คิดชีวิตของเราทั้งต้นจากจุดนี้ตัวลูกกับตัวหลงดูดีๆเกิดมาแล้วมาถึงจุดนี้ปุนนีแล้วตัวหลงกับตัวลูกอันไหนมันมากกว่ากัน ที่นี่เราจะลู่เราจะหลงก็อยู่ด้วยฝีมือของเราด้วยการกระทําของเราตัวหลงตัวลู่ไม่ใช่ไปคิดมัวติคิดเอาเหตุเอาผลมันไม่ใช่ต้องลงต้องลงฝึกคิดกับความหลงโดยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับลู่แบบเท่าไรเท่าจริงๆแล้ว เราก็ต้องฝึกรูปแบบ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งแต่ตัวลูสศึกเก่งๆเนี่ยหมืนกับสมัยหนึ่งผมไปกลุปูอินโดนมาเลเซียไปสอนทมที่สิงคโปร์แล้วก็มาเยี่ยมนับปฏิบัติธรรมพราที่มณมาสอนที่กลุ่ปู โคลุโปโคลุโปเอาไวะที่สำนักปฏิบัติในอาจารย์องค์หนึ่งไปสอนอยู่ในป่าเข า, าไปไปเยี่ยม <c oughs> ก็ขึ้นไปบนกติของท่านลูกศิษย์ของท่านก็เคาะประตูท่านปิดประตูอยู่ในห้อง เราก็ไปนั่งกราบพระหน้าคลองพลัวว่าถ้าเท่านี้แหละประตูก็อยู่อย่างห้องนี้แหละมันก็หน้าคลองก็เหมือนตรงนี้แหละกล็่าที่ท่านจะออกมานี่เป็นครึ่งชั่วโมงออกเปิดประตูค่อยๆเยีย่ยมออกมาไปเยีย่ยมแล้วก็ค่อยย่องมาเก้ายย่องมาออมาแล้วก็มา ใจดูเราเลยนั่งรับตาพี่คอยเราก็พูดนะมีศุขสิทธิ์มีโยมก็พูดว่าอาจารย์มาจากโน่นจากนี่ <c oughs> <c oughs> นั่นก็ไม่ได้พูดได้จาอะไรนั่งรับตาพี่อย่างนั้นอย่างนั้นหรือปฏิบัตธิธรรมเนี่ยก็ดีอย่างนั้นก็ดี แต่มันเป็นความจริงของชีวิตหน่ความจริงของชีวิต เ, าเราต้องดูความจริงของชีวิตเราเราต้องดูต้องได้ยินต้องได้เห็นต้องได้สมัมผัสปะตาใสการพบปะให้มันสาเร็จประโยชน์ความรู้สึกตัวจริงๆมันไม่ต้องเลยระวับบงปะนนั้นหรอกมันถ้าจะว่าไวก็ไว จะวิ่งก็ได้นี่ยนาะไม่เป็นไรนะจะเลินตาก็ได้จะไม่ต้องย่องขนาดนั่นก็ได้เดินด้วยความรู้สึกตัวก็ได้ถ้าเราสอนไอ้คนทั้งโลกไปอย่างนั้นมันจะไหวเลยรถ ล, ลาข้ามถนนหนทางไปย่องอยู่นั้นมันจะได้ฝึกไอ้แลาฝึกเอาเน้นก็ได้แต่ว่าอย่าไปใช่แบบนั้นเป็นกฎสากลเป็นหลักสากลอ่น ร, ร, รู้สึกตัวเนี่ยออายังไงก็ได้อืจะวิ่งก็ได้จะขับรถก็ได้แต่ก็ท้าความรู้สึกตัวเนาะตัวไม่หลงเนี่ยทําอะไรก็เป็นเหมาะแก่การงานถ้าตัวหลงเนาะทาอะไรก็ไม่เหมาะตัวรู้สึกตัวเนี่ยถ้ารู้เป็นมหาสติเป็นสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่กํากับ ความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความรู้หมดเหมือนกับทั่วทั่วไปความรู้มันโตดตอบทักท่วงทอดสอบความรู้สึกตัวนะพอมันคิดกัอนรู้แล้ว ก, นะก่อนที่มันจะทำบาปทำกรรมมันต้องคิดมันต้องหลงสแสดงออกไปทางกายทางวาจาสแสดงไปทางใจความหลงสั่งใจสั่งกายสั่งวาจา ใ น, นการกระทําเกิดขึ้ น, นแต่เราลู่ศึกเนีย่ยเขาก็สั่งให้ทางที่ถูกท่นานเราจึงสร้างตัวลู่ตัวลู่สึกตัวนี่แหละเป็นคนสมบัติของพระรีเจ้าพระรีเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในความลู่สึกตัว ประจงกายยังปริมุขขังสเตงอุปตะเปตตวาผู้มีสติเป็นหน้าโลกเหมืนพระขีนนาศผู้มีสติเป็นวินยัยพขีนนาศกก็คือพระอรหันต์มีสติเป็นวินยัยสตินี่แหละเป็นวินยัยเป็นกฎเกณฑ์สติเป็นหน้าโอก เราจะมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมากๆลองดูด้วยมือของเราด้วยการกระทำของเราหรือเรียกว่าบุญวาสนาเราวาดก็คือลิขิตเอาแตง่งเอาทำให้มันเกิดทำให้มันมีขึ้นด้วยการกระทำของเราเองไม่ต้องรอชาติหน่าชาตินี่แหละ เราลู่เดี๋ยวนี้อ่อาออไปชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะต้องลูกอีกที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าที่สี่ทีห้าก็จะลู่มาแล้วลูกไปเรื่อยไปปัจจุบันคือความรูน่นตัวนี้มันจะลิขิตไปอ่าความปัจจุบันมันลู่ดีอดีตที่ผ่านไปมันก็ดีอ่ะนาคบนจะดี ต้องมั่นใจเอาเนี่ไว้ก่อนไม่ใช่ว่า <c oughs> บางคน <c oughs> สมัยหนึ่งไปสอนทำที่ลุมพินีตห้าร้อยสิบหกสิบเกตไปสอนกับอาจารย์โพธิลักษ์กับอาจารย์ธรรมธโล ต่ออาจารย์ดรลวีพาวิไลนี่มลไปสายอาจารย์โพธิลักษ์สายอไม่ไม่ใช่ไม่เรียกว่าสายก็ได้คณะอาจารย์โพธิลักษ์คณะอาจารย์ธรรมทโรคณะหลวงพอเทียนผมก็เทศเรื่องสตินี่แหละอาจารย์โพธิลักษ์อะไรอะไรก็สติต้องศิ้นก่อน สติมันต้องสุดท้า ย, น, ย น, น, นั่นต้องศีลก่อนเน้นเอามาจากศีลก่อนโอ้ถูกของท่านเราไม่เราไม่หวาแต่ว่าเอาดูดีๆก่อนะนที่จะมีศีลนนะ่ะมันเกิด อ, อะไรอะไรตัวตั้งให้เกิดมีศีลก็คือตัวรูสึกตัวนี่แหละพอรูสึกตัวก็เป็นศีลแล้วมันปกติแล้วคนที่จะมีศีลมันต้องมีสติ โน้นศีลนี่รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยนี่ยตัวสติมันรักษาอยู่แล้วความรู้สึกตัวมันจะทำอะไรพอมันคิดกันมาก็รลูกมันยังไม่สั่งใจเลยมันยังไม่ได้สั่งกายมันยังไม่ได้สั่งวาจาคนจะผิดศีลมันต้องสั่งใจมันต้องสั่งวาจาสั่งกายยังไงเป็นศีลโดยเฉพาะศีลสังคมศีลสามัญลักษณะมันต้องพูดมันต้องทา ปรับเอาบัตรได้อืมเขาไม่ไม่ปรับตั้งแต่คิดหออกคิดนี่จะคิดยังไงก็ได้เขาปรับไม่ได้สินสามัญนี่ยลักษณะศินสังคมเนี่ยแต่ถ้าสินสิกขาเนี่ยเขาปรับตั้งแต่ความคิดโน่นพอคิดแล้วเขาก็ปรับแล้วถือว่ามั่วหมองแล้วสินของเธอทะลุดแล้วด่างแล้วคล้อยแล้ว <c oughs> สินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วอย่างไมถุนสังโยคจิตสุขิดถึงการเก่าเคยหัวเราะเคยมองตาเคยซิกซี่กลับมาทุกคำก็ถือว่าสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพ่อยแล้วหคิดผมก็ผิดสินแล้วเพราะเรื่องสติเท่านั้นที่จะไปเห็นคิดน่ะ พอมาเช็ดกันรูปปั๊สอนแล้วสอนจิตเราแล้วปกติขึ้นมาแล้วเป็นศีลแล้วรักษาศีลแล้วนั่นพอมันคิดขึ้นมาคือรู้สึกนั่นแหละสำรวมระวังแล้วถ้ามีสติเนี่ถือว่าพระพุทธเจ้าก็ยังอนุญาตนิสัยมุตตะกะหนึ่งพัรษาห้าพัรษาถ้าไม่ถึงห้าพรรษาก็าเรียกว่ามุตตะกะจะไม่พ้นมุตตะกะ จะไปไหนมาไหนต้องมีพี่เลี้ยงมีครูบาอาจารย์แต่ว่าถ้าหากว่าภิกษุดใดมีสติมีสติดีสามารถี่ไปคนเดียวได้แม้ไม่พรรษายังไม่ถึงห้าโน่นพระเจ้าให้เกลียดปานั่นแหะคนมีสตินะยังไม่ถึงห้าพรรษาถ้ามีสติก็สามารถเทไปคนเดียวได้ถ้า ไม่มีสติต้องห้าพันษากนได้ยินได้ฟังได้อบรมได้รู้ได้ยินได้ฟังมามากเจงเจีอวตัวรอดได้แต่ถ้ามีสตินี่วันเดียวก็ได้ทำไมเป็นไรถ้ามีสตินะ <c oughs> <c oughs> มีสติก็มีความเพียร น, นั่นแล้วความรู้สึกตัว ทำดูมันจะอุ่นใจขนาดไหนเรามีสติเนี่ยรู้มันอยู่เนี่ยรู้มันอยู่นี่ตัวรู้ตัวดูตัวเห็นอยู่เนี่ยบอกสอนตัวเองอยู่เนี่ยพอพอมันคิดเข้ามาก็สอนมันรู้สึกทันตีก็อสอนจิตแล้วมันคิดไปมันหลงไปสอนทันทีได้ทันควน ประสบการณ์บทเรียนทันทีแต่มันไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งก็ลู่กายอยู่นี่เคลื่อนไว้เจตนาลู่อยู่ทัองลู่ทั้งหลงหลงทีใดก็ลู่มันไม่หลงก็ลู่อยู่นี่หาเรื่องที่จะลู่อยู่สเสมอเป็นกรรมเนี่ยเป็นฐานเป็นกรรมเป็นที่ตั้งเป็นกรร ม, มฐาน กรรมฐานเวชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราจริงๆไม่ต้องไปอ้อนไปวนไม่ต้องไปเคาะล่องยกมืออ่อนวอนสะตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีแผ <c oughs> ลรูปแบบเดินไปจุดโทกจุดเทียนเิ่มหนึ่งเทียนหมดเทียนแกนอนจุดเติน จะเดินจะกลมจุดทูบไว้พอทูบพอจุดทูบเราก็เดินทูบหมดจังเกียนั่งพอทูบหมดแล้ว น, นั่งจุดทูบอีกดอกหนึง่งนั่งสร้างจาังหวะถ้าทูบยังไม่หมดก็ยังไม่ลุกก็ดีแบบนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้ว ให้มั่นใจกับตัวสติเถอะอยา่าไปมั่นใจกับวัตถุสิ่งอื่นเราจะลุกเราจะนั่งเราก็ต้องรู้สึกตัวอยู่บางทีไม่ต้องมาถูกกําหนดหรอกเรากําหนดเรามั่นใจเราจะลุกก็เป็นเรื่องของเราเราจะนั่งก็เป็นความรู้สึกของเราสุดไปหัดไป รูปไป <c oughs> ในความรู้สึกตัวเอาให้มันชํานี้ยชับนาญในคล่องกับความรู้สึกตัวแต่เราต้องสร้างละ่ะตอนก่อนที่มันจะมีก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้ามันมีแล้วไปใช้ได้แต่ถ้ายังไม่แมนไต่ยังไม่มีก็จะไปใช้ก็ไม่ได้แั้นก็เรามีเงินนี่แหละ ถ้ายังไม่มีก็คิดจะใช่คิดจะอยากได้อนน้น น, นี่มันก็ไม่ได้ไต้องหาเงินมันผมไปเทศเหมือนนองแวง <c oughs> บวดงานศพ บ, บวดหน้าศพ บ, บ, บวชอุทิศให้พ่อให้แม่ลูกชายเท่าไรเข้ามาบวชกันหมดหกเก็ดคนทางโลกทางหลานแต่ทำเป็นพิธีเฉยเฉยมันก็ไม่ดี กนที่จะบวชอุทิศบวช่า้ศพต้องบวชนี่มาจากคําว่าอะไรคำว่าบวชคือวอไม้ไม้วอแหวนชอช่างมาจากคําว่าปวชะปะวชะตัวนี้ก็แปลว่าดำหลีหนีจากความชั่วมาทําความดีไปสู่ความดีทิ้งความชั่วทั้งหมดเรามีเวลาใกล้ๆสั้นๆเอาเตรียมให้ดีๆเราต้องหนีจากความชั่วคิดไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทําชั่ว ใส่ใจตรงนี้มากมากชั่วช่างสวัสดิ์โหชั่วโมงแบบรีนไม่ใช่เป็นหัวหล่นหงพาเหลืองแล้วก็มาบวดหน้าศพใอ้มันหมายลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นเอา้าวสี่ชั่วโมงต่อไปนี้เราจะต้องต้องอย่อย่างไรที่มันเกิดขึ้นเราความชั่วไม่พูดไม่คิดไม่ทำไอ้มันคงถ้าเรามีความดีเนี่ยถ้าเราละความชั่วทำ ควดีกิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นบุญเราอุทิศสวนบุญนี้ไดถไ้ถ้าเรายังไม่ฟูมถ้าเรายังไม่ฝึกอะไรเลยมันจะอุทิศไม่ได้มันก็เราไม่มีบุญจะอุทิศบุญไปได้อย่างไรคนมีบุญคือมีความดีบุญคือจิตใจที่มันดีใจไร้เป็นผีใจดีเป็นพระบุญคือใจดีถ้าใจดีมันก็มีความสุขแต่าบาปคือใจไร้แต่ใจไร้มีทุกข์มันเป็นความทุกข์ บุญคืออิ่มคือเต็มอิ่มใจเต็มใจสุขใจให้ได้สัมผัสอันตัวบนนี่แล้วก็สามารถตุธให้ได้ันความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปสัมผัสลองดูพมหลงมันเป็นบุญเป็นบาปสัมผัสลองดูตัดสินใจเป็นปัจจัดงังรู้เอาเองแต่เราลู่ไปลู่ไปโอ้ยพอมันหลงมันตกใจเหมือนกับว่ามันเปื้อน เขาหลงเป็นกิเลสจังเป็นต้นต่อจริงๆล่ะโอ้มันอยู่ตรงนี้นี่เองอพอหลงไปคิดไปไปคิดไปเขาเปื่อนแล้วถ้าเห็นนี่ไม่เปื่อนๆพอมันคิดกับรู้ทันทีไม่เปื่อนๆแล้วภาว่าที่ดูที่รู้ที่เห็นเนี่ยเป็นพรมจรรย์บริสุทธิ์นี่คือปบบพืชพรมจรรย์แต่จะเรียกว่ามากก็คือภาวะที่ดูนี่แหละ อาว่าเทโดูเนี่ยเราเป็นมักเราเรากำลัลงดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยรู้อยู่นี่นี่แหละวิถีของมักตัวรู้อยู่ก็เหมือนกับก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆไกลจากความหลงไปเรื่อยๆไกลจากความหลงไปเรื่อยๆตัวรู้ตัวดูเนี่ยเวลาใดมันลงรู้ปับ๊บไม่เปื่นเลย ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดไม่ได้มีอารมณ์ไ ม, ม่ย่อมจิตใจพอสะอาดบริสุทธิ์เป็นพรหมจันย์พรหมจันย์ก็คือหมายถึงภาวะที่ไม่เปลื่อนทั้งกิจวิญญาณพอตัวลูกศึกตัวเป็นกฎเกณฑ์ที่สุดก็มีศีลมีเล้ยวจึง จึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้นะมีสินปกติทั้งหลายวันพอตัวรู้สึกเนี่ยทำให้บริสุทธิ์นี่สินสินมาช่วยเราปกติแล้วก็ปกติมันใจวาจาใจปกติโอสมาธิคือความมัน่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะราวสมาธิก็มาช่วยเวลาใดที่มันไม่ปกติปัญญาก็มาช่วย ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามาช่วยศีล ส, สมาธิปัญญามาช่วยเราทั้งหลายวันอืใช่แล้วใช่ดูแล้วโอ้เป็นศีลยิกิงสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะ น, น, นี่ปุตติยันติเป็นศุขเป็นโพกับทัพทางปัญญาไม่จนไม่จนกรอก ไม่จนต่อะต่อโลกต่ออารมณ์ต่อการปรุงแต่งมีช่องมีทางผ่านได้เป็นทางผ่านไม่ตันจราจรของกิจไม่ติดชีวิตโปร่รงถ้าเป็นทางก็เป็นฟีเวผ่านได้ตลอดหรือไฮเวย เป็นทางผ่านได้ตลอด <c oughs> ถ้่เรามีสินมันไม่จนศีร ล, ละในปุตติยันติก็ เ, เย็นในพานคิมลองปล่อยๆวางวางจุดๆเย็นๆไปเรื่อยๆ ต, ตรากดว่าได้ผลสัมผัสตัวแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นปัจจัตตัง ใครจะว่าเราไม่มีสินเนเรื่องของเขาแล้วก็เราจินข้าวมันอิม่มความอิ่มอธิบายไม่ได้คนจะบอกว่าเรายังไม่อิม่มเรายังไม่อิม่มคนยังไม่อิ่มมันก็เป็นเรื่องของเขาเรามีสติเขาว่าเราไม่มีศินต้องเป็นสินก่อนเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าผู้ที่พูดอย่างนั้นไม่รู้จับขบวนการของสินที่เป็นสินสิทขา ที่เป็นสิลที่ไปถลุงกินเล็กิเลสอย่างยาวก็คือความโลภความโกรธความหลงตัวนี้แหละความหลงเพอให้เกิดกิเลสกิเลสอย่างยางก็การมลค ะ, ะปฏิคะมานะทิฏกิเลสอย่างละเอียดก็คือการเกิดดับของนามรูปมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับ อาการเกิดดับขันหน้าเป็นขันรุนรวนแต่มีอุปทานเห็นเวทนาอย่ามีตัวมีตนอยู่ในเวทนาสัญญาก็ไม่มีตัวมีตนสังขารไม่มีตัวมีตนอวิญชาไม่มีตัวมีตนเป็นแต่ขันรุนรุนแต่เราไม่รู้ตัวตนเต็มไปหมดสุขก็เราทุกข์ก็เราร้อนก็เราหนาวก็เรา หิว <c oughs> ก็รอเราะนั่นต้องลอยตัวลอยบาตมองอะไรเพราะมันสลายไปเลย น, นั่นกบูนีกบูนีคือลอยบาตมองอะไรเห็นอะไรมันลอยได้ลอยบาตได้ไม่มีตัวไม่ต้นอยู่ไหน การต่างๆเห็นแจ้งนั่นก็นั่นการปฏิบัติธรรมนั้นสบายใจได้เลยเรามีสติให้สบายใจได้เลยถูกต้องที่สุดแล้วนะเราบสร้างจังหวะเรายกมือเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเนี่ยะไรอะไรอีกเราเรารู้สึกตัวก็ถูกแล้ว เราใดที่มันคิดขึ้นมาเรารู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวอย่าเพิ่งเอาเหตุเอาผลแต่ความรู้สึกตัวมีมากมีมากก็กลายเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดญาณเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นโูกประทับเห็นนามธรรมเห็นโูกธรรมเห็นนามธรรม ทำทอสารอํามันทําดีอยู่ทอสาะอํามันทําชั่วเขาก็เห็นรูปที่มันทํำลูกมันทําดีนามมันทําดีลูกมันทําชั่วนามมันทําชั่วมันก็เกิดจากตัวนี้แหละมันทําดีมันทําชั่วลูกมันทํานามมันทำไม่มีใครมาทําให้เรา นี่คือรูปรมคือนามทธทรมันหนึ่งคือทอทองลอเรือสองตัว ม, มามานี่เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ในรูปมันธรรมชาติที่มันมีอยู่ในนามบางทีในรูปมันก็มีอาการในานามมันก็มีอาการอาการของรูปก็มากความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมุ่ย อะไรต่างๆอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปรูปมันไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่รูปรูปมันมีน้มอยู่ด้วยกันมันจะรู่จากร้อนรูจากหนาวรู้อะไรได้หลายอย่างรูปกับน้มไม่มีอยู่ด้วยกันมันก็หมดแลลวหมดสภาพแล้วแต่มันหิวก็ขอบคุณมันได้ ถ้ไปทุกข์ถ้ามันร้อนก็ขอบคุณมันถ้ามันหนาวก็ขอบคุณมันถ้ามันร้อนไม่เป็นมันหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้ำยุงกัดมันเจ็บก็ขอบคุณมันถ้ายุงกัดไม่เจ็บว่ไม่ไม่เข้าท่าแล้วอันตรายแล้วเดินไปนานๆมันปวดมันเมื่อยธรรมชาติแล้วในลูกมันทำนามมันทำธรรมชาติ ธรรมชาติของลูปธรรมชาติของน้มแต่ว่ารูปนี่มันก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้แหละน้ำบาเนี้น้มนี่อาการของน้ำคือความสุขความทุกข์ความเครียดความโลดออความโกรธโลภล้เป็นอาการของน้าอาการของน้านี่เราสามารถพัฒนาได้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่สักสะพานได้ ไม่ต้องโกรธก็ได้ไม่ต้องโลภไม่ต้องหลงก็ได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขไม่ต้องปรุงปรุงแต่ ง, แ ต, งแต่งก็ได้อาการถ้ามันเกิดขึ้นก็นชี้ตัวมันเลยว่ามันเป็นอาการอาการของนามไม่ใช่ใจไม่ใช่เราแต่นามจริงมันบริสุทธิ์อยู่ภพสาระเมตตังทิสเวกิตังปันเจโคกันตุเจหิอุปจิเลสีอุปจิเิตทังปริสุทั้งหลาย พระเจ้าตรัสนะจิตนี่ประพัดสอนผองใสยอยู่แต่เดิมแต่อปจิเลตคือน้ําคืออาการมันจรมาทําให้จิตเศร้าหมองรู้จักอย่างนี้มันเรียกว่าติลัคณาปริญญาเป็นปริญญาของจิตรู้จักแ ก, ก่แกง่งมันเป็นไปทั้งทํามนองนั้นความรู้จึกตัวมันเป็น ญ, ญาณมันเป็นปัญญามันรู้อย่างนี้นะ่ะรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขาร ให้ใช้ปัญญารู่โลกพระจันท์เว น, นนอั่นมีมีของเขาแต่ว่าปัญญาพุทธะต้อง โ, บโลบลู่ในกองสังขารนี่ให้มันอยู่ในกํามือเราชีวิตของเราต้องอยู่ในกํามือเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องมีดวงดาวมีพรหมอริคิดไม่ใช่เราจะริคิดที่เรของเราเองอวัาไว้ในก็สว่างนหละ สนุกดีนะพุทธมณฑล